ค่ะคือฟังเรื่องนี้ก็ดูประหลาดประหลาดนะค ะ, ะคุณชยุทธเดี๋ยวความประหลาดนี้ก็จะคลี่คลายปริศนานะคะว่าบุรุษคนนี้เนี่ยเขาก็ามากราบทูลเรื่องสาซึ่ทุกคนงงเงินหมดอะคะะ่ะก็เพิ่งเห็นตายไปหยกห ย, ยกนะคะก็บอกว่านี่พระราชาข้าพรเจ้าจากที่นี่ไปสู่สวรรค์ในขณะที่องค์อ ม, มรินกําลังทํางทสงครามกับเหล่าเทพอย่างดุเดือด<ะ>พวกอสูรร้ายถูกฆ่าตายไก่กองบางพวกก็หนีตเตลิดเพื่อเอาชีวิตรอด หลังจากการต่อสู้ยุติลงท้าวาจัลินตัดกับข้าพเจ้าด้วยความเมตตาว่าเออนานนักหนาแล้วไม่ได้พบกันท่านหายไปไหนมาข้าพเจ้าก็กราบทูลว่าข้าแต่พระจอมเทเสพระองค์ทรงสาบข้าพระบาทในการก่อนข้าพระบาทจึงต้องลงไปเล่ยล่อนในโลกมนุษย์เป็นเวลาช้านานวันนี้ได้ทราบข่าวว่าพระองค์กาลังทํางสงครามกับเหล่าแทศข้าพระบาทจึงรีบมาเพื่อช่วยพระองค์ครับองค์อินก็ไม่ให้ปราปลืม้ม องค์อินพระอินในฮินดูนี่คนละองค์ ก, กันกับพระอินในตำนานพระพุทธเจ้าเรียบโลกนะคะคุณชูดต้องบอกคุณชูดไว้ก่อนพระอินก็บอกเอาละดูก่อนเทวานับแต่นี้เป็นต้นใบท่านไม่ต้องอยู่ในโลกมนุษย์อีกแล้วเรายกเลิกคำสา์ที่มีแก่ท่านเพราะเรามีความพอใจในการกระทําของท่านเอากนกวลัยคือกำไรทองนะประดับนาวรัตนนี้ไปเป็นของขวัญเถอะ แล้วองค์จอมเทพก็ประทานกนกมวะไหลแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็กล่าวกับพระองค์ว่าเออพระอินคือมัคคุวาเนี่ยนะก่อนที่ข้าพเจ้าจะขึ้นมาลบเนี่ยก็ได้ฝากภรรยาไว้กับพระราชาวิกรมารากจะต้องรีบไปรับนางกลับมาก่อนครับได้รับอนุญาตให้ขึ้นสวรรค์แล้วเมื่อกล่าวกับพระอินแล้วข้าพเจ้าก็กลับมานี่แหละก็ได้ทราบว่าพระองค์ทรงเลี้ยงดูภรรยาของข้าพเจ้าเหมือนน้องสาวข้าพเจ้าก็รู้สึกซาบซึ้งในพระคุณก็คราวนี้มาขอประทานคืน จะได้พานางกับสวรรค์อเอามาตีเรื่องมันแปลกๆครับยังไงพระราชาฟังก็ค่อนข้างก็สงสัยมากก็นิ่งอยู่ชายผู้เป็นเทพก็ถามว่าเออพระราชาพระองค์ทรงนิ่งเฉยทําไมคาราจบริพานก็เลยอือำอำอำอ้ออึงตอบแทนว่าภรรยาของท่านเผา ต, ตัวตายซะแล้วเทวดาคนนี้ก็ถามอ้าวทำไมล่ะทุกคนก็นิ่งอยู่จนบรรยายนจะพูดยังไงคือเหตุการณ์มันประหลาดมากในที่สุดชายนักลบก็เลยกล่าวกับพระราชาว่า พระองค์เนี่ยเป็นรัตตนะแห่งราชาทั้งหลายในโลกพระองค์ปฏิบัติต่อภรรยาของผู้อื่นเหมือนนางพักคินีของพระองค์เองพระองค์ทร ง, ง ก, ก็ก็อำเนยพอให้มีชนมาอยูช่ช่วนี้ลันดอนครข้าพระบาทจะกราบทูลความจริงแก่พระองค์ให้ทรงทราบว่าข้าพระบาทคือมายาก่อน สิ่งที่พระองค์ได้ประสบมาแล้วล้วนเป็นมายากลทั้งสิ้นเป็นภาพลวมตามคุณจูชุคคงจําได้นะคะว่าวันแรกที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาเป็นไอณัทรชาลิกะนะคะก็คือนักแสดงมายากลจะมาแสดงกลนก็ปรากฏว่าวันแรกไม่ได้แสดงเพราะว่าอาบน้ํากินข้าวพระองจ์าบน้ํากินข้าวบอกให้มามันลุ่งขึ้นพอมาวันลุ่งขึ้นเนี่ยมายากลไม่ได้เข้ามากลับมีชายคนหนึ่งเข้ามาแสดงตนเป็นเทพครับทั้งหมดที่พระองค์เห็นเนี่ยทั้งหมดเลย เป็นเรื่องที่นายคนนี้ทําให้ดูค่ะภาษาเาก็ยิ่งแปลกประทายใหญ่เลยนะคะแต่ว่าคีย์มันอยู่ที่ตรงนี้ค่ะตอนที่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาจะฆ่าตัวตายนะคะแล้วเขาก็มีการพูดไหยฮะล่ายาวค่ะคุณจะยุติล่ายาวเลยว่าซึ่งครับล่ายาวเลยค่ะล่ายาวเลยแสดงให้เห็นว่า คือร่างกายเนี่ยไม่ใช่ของตัวเองเป็นของสามีนะคะเรามีความเปรียบแส ง, จ, ง, จ, ง, จ, งจันทร์ย่ำชิ่นไปพร้อมกับดวงจันทร์สาฟ้าอยู่ติดกับก้อนเมฆหญิงพึงติดตามสามีตนเองไปภรรยาที่เผา ต, ตัวตายตามสามีอย่างตระกูลให้บริสุทธิ์ถึง3ตระกูล ค, คือมารดาบิดาและตระกูลที่ตนไปสู่เส้นขนของร่างกายมีถึง1นกดครึ่งสิล้านก็คือจํานวนปีที่หญิงผู้เผา ต, ตัวตายตามสามีแล้วก็ได้ขึ้นสวรรค์ทั้งหมดเลยนะคะ แล้วก็จะมีประโยชน์อะไรที่ผู้หญิงตกเป็นไม้ทนทุกรกรรมลาบากเพราสิ้นสามีร่างกายก็ไร้ประโยชน์เหมือนกับต้นไทรนะค ะ, ะพ่อก็ดีพี่ชายก็ดีลูกชายก็ดีย่อมให้ทรัพย์แก่หญิงนั้นตามอัตราที่เห็นสมควรเหตุผลนายหญิงผู้เป็นภรรยาจะให้เกียรติแก่ผู้อื่นยิ่งกว่าสามีเล่าก็สามีไม่ใช่หรือที่ให้ทรัพย์แก่ภรรยาของตนอย่าไม่มีขอบเขตจํากัดแม่ปเป็นคําพูดที่ อ, อครับ ยิ่งกว่านั้นเนี่ยนะคะถึงแม่หญิงนั้นจะมีญาติวงพงสาแวดล้อมมากมายถึงแม่นางจะมีบุตรชายตั้งหลายคนและเป็นผู้มีสัมมาจาระอันสมบูรณ์พร้อมเพียงใดก็ตาม hmm. ความจริงแล้วก็เป็นสัตว์โลกที่น่าสมเพชและมีความรมับทรมทุกเวลาเมื่อนางต้องสูญเสียสา ม, มีไปการไล่า ย, ยาวของหญิงไม้ผู้นี้เนี่ยแสดงว่าเขาไม่ต้องการอยู่ในในโลก<ใ> น, นี้แล้วนะคะแต่ว่าพระชาวิกรธรรมทิศเนี่ยก็ยังพยายามที่จะรับเป็นลูกสาวที่จะเลี้ยงดูต่อไป นาตาหญิงคนนี้นี่ไม่ยอมอยู่ก็เป็นการแสดงคุณธรรมมานะคะว่าผู้หญิงที่พึ่งอันสูงสุดของภรรยาคือสามี ถ, าถึงแม้ว่าจะเป็นคนยากจนชั่วช้าเร็วซามแกช่ชราไม่มีหลักฐานง่อยเปรี้ยเสียขามีวันณะตกต่าตนีทีเหนียวสักเพียงใดก็ตามไม่มีญาติไม่มีสหายไม่มีผู้คุ้มครองไม่มีที่พึ่งสำหรับผู้หญิงยิ่งไปกว่าสามีตนเองอขอเติมสักนิดนะคะสามีคือฉัดแก้วกั้นเกตงามหน้างามเน่ทุกเวลา ฉะนั้นก็สาวสมัยใหม่เวลาจะตบตีสามีน่าให้คิดถึงข้อนี้นะคะเลไปตบสัตว์แก้วกั้นเกะของตัวเองนะคะบางคนบอกนะคะนั่นก็อันนี้ก็แสดงคุณธรรมหนงสองข้อคุณธรรมของพระราชาคุณธรรมของผู้หญิงสตรีคนหนึ่งนะคะที่มองเห็นสามีคือคือเรียกว่ามายากลคนนี้เก่งกับวิทยุคือได้สอนได้ทดสอบครับแล้วก็เชิดชูคุณธรรมของพระราชาด้วย บุญกุศลก็เกิดกระทนหันนะคะพระราชาตอนนั้นยังพิศวงโอ้โหมายาคนอะไรจะเลิอดล้มขนาดนี้ยังมิทันจะเอ่ยพระโอษฐ์คุนคลังก็เข้ามากราบทูลว่าออข้าแต่พระราชาบัด น, นี้พระราชาแห่งปัญทยะคุมเครื่องราชบรรณาการมาถวายาพระราชาก็ถามว่าข้อส่งอะไรมาเสนามาดีครั้งก็บอกว่าราชบรรณาการก็คือทองคำแ8โกดไขมุกหนัก93าสิาชั่งช้างศึกห้เชือก เครื่องหอมอันประกอบด้วยน้ำหอมและน้ำมันหอมอันมีกลิ่นชวนให้พึ่งหลงไหลเป็นจำนวน30สไหมาสามร้อตัวและนางรำผู้ชำนาญในนาฏยะร้อยคนร้วนแต่เป็นศิลปินชั้นเยี่ยมทั้งสิ้นโอพระราชาวิกรธรรมผู้ประเสริฐสุดที่กล่าวมาทั้งหมดคือราชมรราการแห่งกษัตริย์ปันญยะผู้นำมาถวายพระราชาก็บอกเจ้าขุนกลังว่าจงมอบเครื่องมรราการทั้งหมดแก่มายากรผู้นี้เถิดอม ะะก็แม้ตุกตาแก้วก็บอกว่าทรงตหนักหรือยังว่าพระราชาวิกรธรรมทิศเนี่ยทรงมีคุณธรรมยิ่งใหญ่เพียงไรนะครับะะจะไม่เ ป, ปลี่ยนพระทยเลยอยู่แค่นี้พอแล้วไม่ต้องขึ้นถึงสาสิบเอ็หรือสามสิบสองพระราชาโพชาก็ไม่ได้ตัดแต่ประการใดก็เยประบาดลงมวลศีรษะนางพุทธลิกาแก้วตัวที่สาสิบเอ็ดโดยมีชักช้า ค, คุณธรรมนี่สําคัญมากนะ ค, คือเรื่องนี น, นะคะน่าคิดหลายอย่างนะคุณสุยศัก์ คือคนดีเนี่ยนะฮะคนที่มีคุณธรรมสูงส่งก็มักจะเจอคนดี ค, คนที่มีความสามารถสูงมายากรคนนี้นะฮะไม่ใช่ธรรมดาเลยค่ะคุณเจยุทธ์คือเป็นผู้ที่มีความสามารถถึงขนาดที่ว่าหลอกสายตาคือเรียกว่าเสนาอ ม, มารตนะพระราชาประเทศราชกษัตริย์บทั้งหลายเนี่ยแล้วก็เป็นการหลอกแบบสอนด้วยมไม่ใช่มา<ห><ห>ยากรที่ ที่ไหลสตินะคะเป็นการลองใจด้วยน ะ, ะทั้งลองใจทั้งแสดงคุณธรรมทั้งแสดงความสามารถในเวลาเดียวกันนะคะส่วนพระเจ้าวิกรธรรมทิศก็ได้แสดงคุณธรรม<ะ>สมกับที่ไหนคนดี้เนี่ยเข้ามาทดสอบครับแล้วก็ยังมอบทรัพย์สินเงินทองอันโอมากมายมหาศาลมาให้อีกด้วยครับเป็นคุณธรรมที่ท้าววิกรธรรมทิศได้แสดงให้เห็นทั้งต่อหน้าตัวมายากรท่านนี้นะฮะต่อหน้าข้าราชบริพารทั้งหลายย่อมเป็นที่ประจักษ์นะครับ ทีนี้คุณธรรมอย่างนี้เนี่ยมันจะต้องคือสิ่งที่วิกรมมจริตได้นําเสนอแล้วก็อธิบายผ่านตัวหนังสอือให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามเนี่ยนะครับไม่ใช่เพียงเฉพาะคุณธรรมที่มีแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อนะฮะแต่ความหนักแน่นในความดีอย่างต่อเนื่องะะครับอาจครับข้อนี้เนี่ยเพราะว่าเราศึกษาฟังมาแต่ละเรื่องแต่ละตอนบันไดแต่ละขั้นที่ท้าววิกรมธิต์เดินขึ้นไปนอกจากจะต้องใช้ความอดทนใช้ตะบะข่มกลั้น ใช้ความการมีเมตตาธรรมนะมีคุณธรรมที่จะดารงตนอยู่ตรงนี้เนี่ยยังต้องมีความเรียกว่าเรียกว่ายัางไงเนี่ยหนักแน่นในความดี <Okay. S 1> คือปฏิบัติไปแล้วก็ยังปฏิบัติต่อเนื่องแล้วก็ไม่ได้มีการถดถอยท้อถอยเพราะสิ่งที่ท่านจะต้องเผชิญเพราะมันหนักทุกเรื่องฮะ <Okay. S 1> ถ้าฟังแล้วเนี่ยถามว่าทําความดีเป็นเรื่องยากไหมเป็นเรื่องยากเพราะต้องใช้ความขมใจต้องใช้ความอดทนมาก และต้องเสียสละมากด้วยผู้นำเนี่ยนะครับค่ะคือคุณธรรมของพระเจ้าพิกรามาธิต์นี่นะครับจริงๆนะเนี่ยจะมีกษัตริย์อีกหลายองค์นะคะที่เราได้อ่านๆมาในมีคุณธรรมต้องหมดเนี่ยแต่ว่าอันดับหนึ่งของนิยายสันสกฤตนี่คือวิกรามาธิต์ครับนะคะเมื่อกุชิยีนีซึ่งจริงๆแล้วหลายท่านเนี่ย เ, ออเด็กๆก็คงจะรู้จักเพราะว่าได้เรียนทีทานเวตาลคั บ, คบหลายท่านก็เคยดูแต่ว่า แหมรุ่นใหม่นี่เองก็เสียได้นะคะไม่ค่อยมีเพราะว่าเด็กจะไม่รู้จักท่าที่กราหมาทิตนะคะที่คือขนาดมีพรมาประกอบว่า ค, คือตามได้ที่เรื่องเหล่านี้ยังเอกาขานอมตะอยู่เนี่ยมันแสดงว่ายังมีคนดีอยู่รเราคนดีย่อมอยากที่จะฟังเรื่องดีๆแล้วก็นําไปปฏิบัติตามเท่าที่จะทําได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะบอกว่าเนี่ยแล้วนะสังคมทุกวันนี้ถามหาคุณธรรมผมว่าเราไม่ต้องไปถามหาไม่ต้องไปทวงถามกับใครนะครับ เรามาเร่งปลูกฝังเยาวชนคนใกล้ตัวลูกหลานในบ้านครัวเรือนของท่านให้ได้มีคุณธรรมสมกับที่เราเป็นพุทธ ศ, ศาสนิกชนนะครับแล้วอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยปัญหาพวกนี้มันจะไม่มีฮะมันจะน้อยนะครับถ้าทุกคนช่วยกันคนละไ ม, ม้คนละมือครอบครัวหนึ่งมีลูกหนึ่งคน2คนสามคนก็เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองของพ่อแม่แะครับถ้าท่านเป็นครูบาอาจารย์ก็เป็นหน้าที่ของท่านคือเราต้องช่วยกันในสังคมนะฮะมันสดผลสุดท้ายที่สุดเนี่ย สิ่งที่สะท้อนกลับมาที่ตัวเราเองท่านทุกคนก็คงจะได้เห็นอยู่แล้วนะครับว่าขว้างอะไรไปเนี่ยมันก็กระดอนกลับมาที่ตัวเราทั้งหมดนะม เ, เราอยู่ในสังคมเดียวกัน